hmm คือการเรียนรู้นะมีคำพูดว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตันี่ย น, นี่หมายความว่าแม้จะจบการศึกษาแล้วได้ปริญญาแม้จะเป็นถึงปริญญาเอกแต่ว่าการเรียนรู้ก็ยังไม่สิ้นสุดต้องเรียนรู้ต่อเนื่องช่วงนี้จะเป็นอ่ โรงเรียนหมายเทลัยนะก็เรียกว่าเป็นช่วงปิดเทอมแต่ว่านักเรียนหลายคนก็ยังไม่ถือว่านะหยุดการเรียนรู้การเรียนรู้ก็ยังมีต่อเนื่องครูก็เหมือนกันนะปิดเทอมก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ วันนี้ก็มีคณะครูเจ้าที่จากโรงเรียนปรนักษ์สว่างจิตมารวมสมทบการเรียนรู้นี่มันก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ในความคิดของพ่อแม่เนี่ยก็คือการเรียนรู้เพื่อทำให้ไปประกอบอาชีพหรือว่าทำมาหากินได้สะดวกขึ้น มีการงานที่มั่นคงซึ่งก็มักจะหมายถึงการมีเงินเดือนนะที่มากด้วยเวลาพูดถึงการเรียนรู้ผู้คนก็นึกถึงการเรียนรู้ในแง่นี้แหละซึ่งถ้าสรุปง่ายๆก็คือเป็นการเรียนรู้วิชาชีพวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนมาเทาระัยยิ่ง ในโรงเรียนเกิดวิชาดูแลเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะเรื่องวิชาชีพแต่บางทีก็แคบมากนะเป็นวิชาที่เอาไว้ให้สอบได้อย่างเดียวอย่างที่ติวกันในสถาบันเกิดวิชาจำนวนมากความรู้ที่สอนกัน ก็ไม่แน่ว่าเอาไปทำมาหมากินได้หรือเปล่าเพราะจุดมุ่งหมายคือเพื่อสอบให้ได้สอบเข้าหมหาวิทยาลัยให้ได้ให้ได้คณะที่ต้องการแต่คนเราเนี่ยจะเรือนแต่วิชาชีพเนี่ยมันไม่พอนะวิชาชีพเนี่ยช่วยทำให้เรามีอาชีพมีการงานที่มั่นคงก็จริง แต่ความสุขของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการมีอาชีพที่มั่นคงหรือว่าพรั่งพร้อมไปด้วยวัตถุมันยังมีอีกอย่างที่เราควรเรียนรู้นะซึ่งอาจามาเรียกว่าเป็นวิชาชีวิตวิชาชีวิตเป็นวิชาเกี่ยวกับความจริงของชีวิตและที่จริงมันก็เป็นความจริงเกี่ยวกับโลก วิชาชีตนี้ทำให้เราตระหนักว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยความไม่แน่นอนมันทำให้เราตระหนักนะถึงความไม่เที่ยงไม่จีรังของสิ่งต่างๆแม้จะมีการงานที่มันคงแต่ว่าในความจริงมันก็ไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดอาจจะตกงานหรือว่า งานนั้นกลายเป็นของล่าสมัยก็ได้สมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำงานแบงค์ทำธนาคารก็ดูเหมือนจะมั่นคงนะแต่เดี๋ยวนี้อาชีพเหล่านั้นตำแหน่งเหล่า น, นั้นเขาเลิกไปแล้วก็มีเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาแทนที่อาชีพหลายอย่าง ที่ทุกวันนี้เราเชื่อมั่นคงอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้อาชิบหนังสือพิมพนะ์เมื่อสัก 20-30 ปีก่อนก็ถือว่ามั่นคงนะโดยเพพาะจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงหรือว่ามียอดจำหน่ายที่มากมายยกตัวยอย่างเช่นไทร์ดีลิเน แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็งอนงันคอนแคลนแล้วเพราะว่าคนเลิอกอ่านหนังสือพิมพ์กันไป็นจำนวนมากหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆระดับโลกนี่ปิดตัวกันไม่รู้เท่าไหร่แลวนิตยสารชื่อดังของเมืองไทยนะซึ่งเคยทำรายได้ให้กับเจ้าของจนร่ำรวยบรรณาธิการก็มี สถานะนะที่จะรับการยกย่องตอนนี้ก็ปิดตัวไปเยอะแล้วเน้นที่เราคิดว่ามันมั่นคง น, นะการงานที่มั่นคงเพราะว่าวิชาชีพที่เรามีที่เราริ่ำเรียนมาถ้าเราเรียนวิชาชีวิตเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดเมื่อห้าหกปีก่อนบริษัทหนึ่งในฟินแลนด์นะ ที่ทำ Angry b i r d เนี่ยจำ Angry b i r d ได้ปะ Angry Birds นี่โอ้โหเมื่อ5ปีก่อนนี่้ดังมากเลยทำรายได้ให้กับบริษัทนี่มากกว่าโนเกียตอนนี้ได้ข่าเจ๊งไปแล้ว5ปีก่อนเคยทำงานบ ร, บริษัทนั้นก็ถือว่าหรูโก้แต่ตอนนี้ก็ต้องหางานใหม่แล้ว วิชาชีิตมันสอนให้เราเห็นว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะซึ่งก็รวมถึงความเป็นไปในชีวิตของเราด้วยแต่วิชาชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่ให้เราเห็นหนึงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนซึ่งดูเพลินก็ชวนให้หดหู่ชวนให้หวาดวิตกแต่วิชาชีวิตนีงก็จะสอนให้เราตระหนักว่าเราสามารถจะ อยู่ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปร ไ, ไม่แน่นอนได้อย่างมีความสุขเพราะวิชาชีวิตทำให้เราตระหนักว่าความสุขที่แท้นี่มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะอยู่ที่เงินทองหรือว่าจัจสักอัคร ฐ, ฐานนั่นจาเป็นมากที่เราควรจะให้ความสำคัญกับวิชาชีวิตด้วยในขณะที่ เราคนขวายเรียนวิชาชีพซึ่งมันก็มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่ต้องไล่ตามไม่หยุดหย่อนแต่ก็อย่าลืมนะวิชาชีวิตเพราะมันจะทำให้ชีวของเราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงแม้ว่ารอบตัวมันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน พิชาชีพเนี่ยเรียนแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้นะหลายคนเรียนนิติศาสตร์แต่ปริญญาเรียนจบวิศวะหรือว่าจบครูจบสถาปัตย์จบเภสัชใช้เวลา4ถึง6ปี หรือแมแต่บางคนเรียนแพทย์จบแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเพราะว่าไปมีอาชีพอื่นแทนไปค้าขายไปทำธุรกิจหมอที่ไปทำธุรกิจนี้ก็มีเยอะนะหรือว่าไปเป็นศิลปินอิสระเป็นช่างภาพก็มีมีหมอคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึงเรียนจบหมอ แล้วก็ไปเป็นช่างภาพอิสระก็บอกว่าที่เรียนหมอเนี่ยเพื่อตามใจพ่อแม่ทำตามความต้องการของพ่อแม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอทำตามความต้องการตัวเองบังคือเป็นช่างภาพอิสระวิชาบางอย่างเนี่ยนะวิชาชีพบางอย่างแม้เราจะเรียนแม้เราจะทำงานตรงกับวิชาที่เรียนมาเช่นเรียนแพทย์ ก, ก็ ก็ไปเป็นแพทย์แต่ว่าความรู้ที่เรียนมาหลายอย่างก็ไม่ได้ใช้พวกเราเนี่ยวิชาที่เราเรียนมาในมัธยมหรือมัธยไลยหลายแห่งหลายวิชาเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมบางทีลืมได้ซ้ําและบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้คือมันล้าสมัยแล้วมีหมอใหญ่คนหนึ่งจะบอกว่า ใน3ที่แกได้ความรู้สองในสามที่แกได้เอามาใช้ในการรักษาคนไข้ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในขณะที่เป็นนักศึกษาหรือขณะที่เป็นแพทย์ประจำบ้านเลยแพทย์ประจำบ้านหรือ resident ก็คือแพทย์ที่ไปเรียนวิชาเฉพาะทางก็หลายปีเหมือนกันนะ 3,4,5 หปีเรียนมาต้องเยอะแยะปรากอบว่า ที่ไม่ได้ใช้นี่เยอะมากเลยเพราะว่ามันล้าสมัยแล้วมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่เช่นผ่าตัดด้วยการใช้เลเซอร์ผ่าตัดด้วยการหรือว่ากำจัดอวัยวะเนื้อร้ายนะด้วยการใช้อุจจาราวหรือว่าใช้รลังสีซึ่ง20ิปีก่อนไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้ ไอ้ที่เรียนไปเนี่ยมากมายท่องจำกันเยอะแยะไม่ได้ใช้เลยเนยวิชาชีพเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันจะล้าสมัยเร็วเข้าอาจจะภายในสิบปีก็ล้าสมัยแล้วภายในสิบปีวิชาชี่เราเรียนก็อาจจะล้าสมัยไปห้าิรซ์หรือบางทีก็ห้าปีได้ซ้าเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากแต่วิชาชีวิตนี่ เรียนแล้วนี่ได้ใช้แน่นอนนะตั้งแต่วันนี้ไปู่ถึงตายเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวความจริงของชีวิตและที่สำาัญคือว่ามันทำให้เราได้มาเรียนรู้และเข้าใจเรื่องตัวเองด้วยเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและความทุกข์ที่แท้เนี่ยเกิจดจากอะไร คนที่ไม่เรียนวิชาชีพก็คิดว่าความสุขอยู่ที่การมีทรัพย์การที่การบริโภคอยู่ที่การมีสิ่งเสรพรั่งพร้อมได้วัตถุก็เลยไปให้ความสําคัญกับวิชาชีพมากขึ้นพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นเคี่ยวเข็นลูกให้เรียนวิชาชีพเพราะคิดว่าลูกจะมีความสุขได้จากการมีวัตถุสิ่งเสตั้งแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันถ้าใครควรช่าหนาก็จะพบว่า คนรวยมากมายก็ไม่มีความสุขแค่จะนอนให้หลับนี่ก็มีปัญหาแล้วนอนไม่หลับเป็นกันเยอะมากโรคเครียดความดันสูงรโรคซึมเศร้าเป็นกันเยอะนะแม้กระทั่งในหมู่คนที่ร่ำรวยมีการงานที่มัน่นคงอันนั้นก็เป็นผลพวงการที่ไม่เข้าใจเรื่องวิชาชีวิต ไม่เข้าใจว่าสุขที่แท้นี่มันเกิดจากอะไรมันอยู่ที่ไหนและความทุกข์เนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรวิชาชีวิตเนี่ยที่ที่นี่นก็เอามาเอามาสอนเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะมันไม่ทั้งหมดมันก็มีใจกลางอยู่ตรงที่ว่าทำให้เราได้รู้จักตัวเราเอง โดยเพราะกายกับใจจนสามารถที่จะเป็นมิกัาตัวเองได้แล้วก็ทำให้ใจและกายเนี่ยมาเป็นมิกันเกื้อกูลกันอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อวา น, นว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นมิกัาตัวเองเท่าไหร่โดยเพราะจิตใจนี่มันก็กลายเป็นปฏิปักษ์กับเราอยู่บ่อยครั้ง แล้วคอยซ้ำเติมเราดูดเป็นประจำถ้าเราไม่รู้จักใจเราดีพอนะหรือเราไม่ใส่ใจจิตใจเนี้ยมันก็จะกลับมาซ้ำเติมเราเวลารถติดจะไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่จะเสียอารมณ์ด้วยนี่แหลถูกซ้ำเติมแทนที่จะเสียหนึ่งก็เสียสองนะ เวลาทำงานแทนที่จะเหนื่อยแต่กายมันก็เหนื่อยใจด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปซ้าเติมเพิ่มความเครียดให้กับตัวเราเวลาป่ว ย, ยจะไม่ได้ป่วยแค่กายมันจะป่วยใจด้วยหรือบางทีซ้าเติมให้กายป่วยหนักมากขึ้นคุณอาประแบศวัษีเคยเล่า ว, ว่า หมายที่ท่านยังรับประาการที่สิริราชก็มีคนไข้คนหนึ่งวัยกลางคนผู้ชายตัวนี่ซีดพร้อมไม่มีเรียวไม่มีแรงนะต้องนอนเปรมาให้คุณหมอตรวจขนาดนั้นชื่นนะไม่มีแรงนะคุณหมอก็ดูอาการแล้วก็ซักถามคนไข้สักพัก ก็หันไปคุยกับแพทย์ประจำบ้านว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากทิสี่ก็พ่อมีพิาปากขอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะหายวันหายคืนพูดจบก็หันมาที่คนไข้บอ ก, กว่าคนไข้นีลุกขึ้นยืนได้เลยเรี่ยวแรงมาไม่รู้อย่างไหนบอกว่าคุณหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปย์นี่แล้วละวาแล้วนี่ก็เข็นเ ป, นปออกไปเลยไปชิติกาแพง เลือแรงกลับมาทันทีที่รู้ว่าไม่เป็นอะไรทำไมแค่พยาปากขอเนี่ยถึงให้ไม่ทำใม้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงแม้กระทั่งเดินมาหาหมอเพราะใจเนี่ยนะมันไปปรุงแต่งว่าสงสัยเป็นมะเร็งแล้วมั้งเป็นลีวิคเมียหรือเปล่าดีซ่านไหมจิต ท, ที่มนโนไปเนี่ยมันทำให้หมดแรงเลยนะฮะหมดแรง พยาปากคอไม่ได้ทำให้หมดแรงนะแต่ว่าจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยทให้หมดแรงเนี่ยจิตมันซ้ำเติมนะจิตมันซ้ำเติมกายบางทีถึงตายเลยนะคุณมาเพิ่งเล่าว่าอีกกรณีหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจเล่นเทนเทนิสเป็นประจำวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วก็ตกใจมากเลยเพราะว่า ความเข้าใจแกหัวใจรั่วเนี่ยก็คือหัวใจเป็นรูแล้วเวลาหัวใจเต้นเนี่ยมันก็มีเลือดพุ่งออกมาแบบนี้ก็ตายสิที่จริงหมอตั้งใจจะบอกแกว่าแกลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วนี่นะก็ยังใช้ชีวิตตามปกติออกกําลังกายก็ยังได้แต่หมอพูดไม่ครบแล้วคนไข้ก็ปรุงแต่งต่อไปว่าหัวใจรั่วนี่แบบนี้ตายแนย่สองวันเท่านั้นแหละ เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็ต่อมาก็เข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยตายไม่ใช่ตายเพราะลิ้นหัวใจรั่วแต่ตายเพราะจิตเนี่ยที่มันผวามันปรุงแต่งนะเกินเหตุลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยร่างกายก็ยังอยู่ได้แล้วก็สบายได้ใช้ชีวิตตามปกติได้แต่จิตที่มัน ปรุงแต่งมโนเนี่ยนะมันซ้าเติมกายทำให้แย่ถึงตายได้จิตไม่มีพลังนะอยู่ที่ว่าเราใช้พลังไปทางไหนถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ความโกรธความกลัวเข้ามาครอบงาจิตเนี่ยไอ้จิตนี่มันก็สามารถจะใช้พลังไปในทางที่ซ้าเติมเราได้หรือแม้แต่ว่ายาก็เอาไม่อยู่นะ มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจเป็นผู้หญิงนะหัวใจไม่ดีต้องผ่าไปถึงห้องผ่าตัดแล้วเธอนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้สั่งเสียธุระเรื่องหนึ่งให้กับลูกน้องเป็นเรื่องสำคัญด้วยและต้องรีบสั่งเสียเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะผ่าตัดเนี่ยไอ้ความกังวลหรือความพิตกของแกเนี่ยมันทาให้ ไม่สลบเลยนะยาเนี่ยหมอรมยาแล้วให้สลบแล้วแต่ว่ายาทำอะไรไม่ได้เลยตาแกค้างตลอดเวลาเลยหมอแปลกใจนะ้วทำไมไม่สลบจนกระทั่งแกขอขอยืมโทรศัพท์จากหมอสั่งเสียลูกน้องเสร็จคนที้สลบเลยนะไอความกังวลเนี่ยนะถ้าจิตมันมีความกังวลมันไม่ปล่อยไม่วางนี่นะ บังทียาก็เอาไม่อยู่นะร่างกายมันก็ตื่นตลอดเวลาแต่พอเสร็จธุระแล้วความกังวลหมดแล้วมันพลอยสลบไปเลยไอ้จิตเราเนี่ยนะถ้ า, าว่าเราไม่ฝึกหรือว่าเราไม่รู้จักดูแลใส่ใจนะมันก็สามารถจะซ้ำเติมเราได้มันมีพลังจนแม้แต่ยานี่ก็ไม่สามารถจะต้านทานได้ในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าฝึก ฝึกใจไว้ดีนะมันก็ทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคุณหมอซูมาลินิมานิทเนี่ยเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตของสิริราษเสียชีวิตไปหลายปีแล้วต้านเล่าว่าเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นโรคพุ่มพวงคือว่าภูมิต้นทานามันทำร้ายตัวเองทำร้ายอาวัยวะตัวเองทั้งนี้ว่าร่างกายไม่เป็นมิตรกับตัวเอง ตอนอายุบสองเนี่ยเคยโดนหมอเนี่ยฉีด ท, ที่สันหลังหมอคงจะมือหนักนะแล้วก็ไม่มีจิตวิญยาเด็กนี่ปวดมากเลยปวดจนเข็ดหลาบเวลาเจอเข็มนี่นะจกลกลัวมากเลยบางทีร้องกรีดแล้วก็เป็นลมไปเลยเพียงแค่เห็นเข็มเนี่ยนะนะ จิตเนี่ยมันฝังใจนะเวลาเอเข็มเนี่มันปรุงไปเลยนะแล้วก็ผวาหมอนี่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าคุณหมอสุมาลีเนี่ยนะพอมาถึงมือหม อ, ห ม, อมาถึงมือหมอคุณสุมาลีหมอก็เข้าใจนะพยายามทำให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจความกลัวของตัว้วยการเรียนรู้การเอาความกลัวระบายออกมาเป็นภาพ แล้วดูภาพเนี่ยนะเพื่อให้เด็กเข้าใจความกลัวของตัวจนกระทั่งเด็กสามารถที่จะรับรู้ความกลัวได้ตอนหลังก็ชวนเด็กเนี่ยซึ่งตอนหลังก็โตแล้วนะเป็นวัยรุ่นละไปเจริญสติเจริญไปเจริญสติให้รู้ทันความกลัวจนกระทั่งความกลัวเนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้หายกลัวตอนหลังเนี่ยนะ แม้แต่เข็มนะเข็มใหญ่ๆเนี่ยขนาดเจ้าตะปูมัง้งหรือเล็กตะปูนิดหน่อยเนี่ยเวลามาเจาะหรือามาฉีดไขสันหลังเธอหรือว่าตามตัวเธอเนี่ยเธอก็จ้องมองได้อย่างปกตินะไม่มีอาการสะทกสะทามจากเด็กที่กลัวเข็มจนเป็นลมตอนหลังนี่สามารถที่จะดูเข็มฉีดเข้าร่างตัวเองได้ ถ้านั้นไม่พอนะตอนหลังที่หังจากที่ตับเธอแย่ไปเรื่ อ, ตอ ย, ต, อ ต, ยต้องเปลี่ยน ต, ยตอน้องไตใช่ไหมต้องเปลี่ยนไตเพราว่าตอนเข้าผ่าตัดเนี่ยไอ้ยาระ ง, งับปวดเนี่ยเธอแพ้เธอแพ้อย่างหนักเลยจนอาจเจียนหมอเลยตกลงว่าคงต้องเลิกผ่าเพราะว่ายาระ ง, งับปวดมันไม่ทํางานแล้ว แต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรหมอขอพาราสองเม็ดเธอกินพาราสองเม็ดแล้วเธอก็ภาวนาบอกว่าหมอนี่ผ่าได้นาะผ่าได้จนสำเร็จโดยที่ไม่ใช้ยาแก้ปวดเลยยายาระ ง, งับปวดเลยเธอภาวนาจนหลับไปเลยนะอันนี้หมอประหลาดใจมากเนะก็กลายเป็นเคสที่ต้องศึกษากันว่าจิตนี่มัน ไม่มีพลังมากนะเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ในทางที่เอามาใช้เป็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทาให้เราสามารถที่จะอยู่กับความปวดได้นะโดยที่ไม่มีอาการทุกข์ทรมานนั้นอันุภาคของจิตเนี่ยมันมีพลังมากอยู่ที่ว่าจะใช้ไปทางไหนถ้าปล่อยให้มันถูกข้องกับด้ความกลัวความตื่นตระหนก มันก็สามารถทำให้เราตายได้ง่า ย, ายเพราะว่าร่างกายมันแย่ถ้ามีความกังวลยาก็เอาไม่อยู่แต่ถ้ามีความสงบนะมีสมาธิมีสติเจ็บแค่ไหนนะก็จิตใจมันก็เอาอยู่ใจเนี่ยมันมีพลังนะสามารถที่จะทำให้กายเนี่ยซึ่งท้อแท้หรือปวกเปียกเนี่ย กลับไม่มีพลังขึ้นมาได้เมื่อสักหลายสิบปีก่อนนะ7 0ปีก่อนมนะั้งมีนมักบินชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเครื่องบินไปตกเแถาเทือกเขาแอนดิสแอนดิสนี่มันก็อยู่แถวลาตินอเมริกานะเป็นภูเขาสูงหิมะนะขาโพลนเต็มตลอดเทือกเขาแกลอดตายนะแต่ว่าต้องกระเสือกกระสนเดินฝ่าหิมะ สมวันสามคืนก็ยังไม่เห็นวิแววของผู้คนหรือว่าชุมชนเหนื่อยล้าเต็มทีแกก็รู้ว่าถักใจหยุดเมื่อไหร่เนี่ยตายแน่ก็ต้องพยายามที่จะรวบรวมกำลังใจเดินไปให้ได้ไกลที่สุดเดินไปได้พักใหญ่ก็หมดแรงก็คิดว่าตายแน่ทำใจได้แล้วถึงจะต้องตายในใจก็อำลาลูกเมีย อำมลาลูกเมียแล้วจูนๆนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าตายตรงนั้นเนี่ยคงหาศพได้ยากถ้ากฎหมายฝรั่งเศสนี่ถ้าหาศพไม่เจอเนี่ยก็ยังเรียกว่าตายไม่ได้ต้องทิ้งไว้อีกสักสี่ปีมั้งให้เป็นบุคคลสูญหายสูญหายไปสี่ปีแล้วหาศพไม่เจอก็ถือว่าตายถึงตอนนั้นค่อยได้เงินประกันแล้วบินคนนั้นคิดถึง เมียแล้วลูกว่าเนี่ยถ้าตัวเองตายแล้วเมียมุลุกไม่ได้ประกันต้องราย4ปีคงจะลําบากก็เลยต้องพยายามเนี่ยทำยังไงให้คนเนี่ยหาศพตัวเองได้ง่ายขึ้นเหลือไปข้างหน้าประมาณสักร้อเมตรนะมันมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งคิดว่าเนี่ยถ้าขึ้นไปถ้าไปที่หินก้อนนั้นแล้วก็กระเสือกกระสนขึ้นไปและตายตรงก้อนหิน ถ้าเกิดมีคนมาตามหาศพก็คงจะเจอนะแกก็ลูกลงมกำลังเป็นครั้งสุดท้ายนะไปให้ถึงก้อนหินนั้นราะว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยกำลังกลับมานะเดินต่อยรู้ไหมแกเดินต่อยเท่าไหร่อีก9ก้าสิบกิโลเมตรทีแรกร้อเมตรเนี่ยชาจะไม่ไหวแล้วแต่พอมันมีเร็วแรงว่า เ, เราเดินได้เนี่ย นะไอ้ความรักรู้รักเมียหรือว่าความรู้สึกว่ามันต้องเอาตัวให้รอดต้องเอ า, เอาฟันฝ่าตัวให้รอดได้เกิดกําลังใจก็สามารถจะเดินไปได้อีกนะเป็น90กิโลเมตรทีเดียวก็มีคนเห็นแล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ได้มันต้องช่วยได้อยู่แล้วเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาในช่วงนั้นนี่คือว่ารอดตายเพราะใจอย่างเดินนะร่างกายมันไม่ไหวแล้วหรือร่างกายจะไหว แต่ว่าพอใจไม่สู้เนี่ยร่างกายมันก็เลยทำท่าจะไม่ไหวด้วยแต่พอใจสู้เนี่ยร่างกายนี่มันมันก็ไหวนะจิตมันก็ลากกายนะจกนกระทั่งสามารถจะรอดชีวิตได้อันนี้ก็เลยเป็นพราพลังแห่งความรักนะรักรักครอบครัวรักมีรักลูกนะก็ทำให้จิตนี่ไม่มีพลังอย่างที่อ่ไม่น่าเชื่อ ฉะั้คนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะเจอเหตุเพศภัยอย่างไรเนี่ยถ้าว่าใจเราเนี่ยนะมันเข้มแข็งหรือว่าใจเราเนี่ยได้รับการฝึกมาอย่างดีเนี่ยมันก็สามารถจะประคองชีวิตเราเนี่ยให้ฟันฝ่าเหตุร้ายต่างๆไปได้ก็ไม่เป็นว่าจะต้องรอดตายทุกครั้งนะเพราะบางครั้งมันก็สุดวิสัย เช่นเป็นมะเร็งเนี่ยนะบางทีแม้ว่าใจจะสู้หรือว่าใจยังเป็นปกติแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวก็อาจจะไม่รอดนะแต่ว่าในระหว่างที่ป่วยใจก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรจิตที่ไม่รักษาไม่ดูแลเนี่ยมันจะซ้ําเติมตัวเราให้ทุกข์มากขึ้นแทนที่จะป่วยกายอย่างเดียวก็ป่วยใจนะแทนที่จะเสียทรัพย์อย่างเดียว นะ ก, เเเก็เสียสุขภาพจิตแม้เป็นอันทํางานเสียงานกินไม่ได้นาะไม่หลับเสียสุขภาพอารมณ์ไม่ดีใครมาหยอกมาล้อ ก, ก็โกรธดา่าทะเลาะเบาแวงกันเสียเพื่อนบ่อยครั้งเราซ้ําเติมตัวเองเวลามีเหตุมาเหตุร้ายมากระทบเราก็ทําให้เสียเสียยุบเสียยับนะีตามมาแต่ถ้าเราฝึกจิตเอาไวด้ดีนะ ถ้าป่วยก็ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายไม่ป่วยใจถ้าเสียก็เสียอย่างเดียวคือเสียทรัพนะแต่ว่าอย่างอื่นไม่เสียถ้า ง, งานล้มเหลวก็ล่มล้มเหลวแต่งงานนะแต่ว่าตัวเองไม่ล้มเหลวอย่างหลวงพ่ อ, อมเขียนเนี่ยท่านทำงานเยอะนะโดยเพพาะงานพัฒนาชาว บ, บ้านทำมาหลายอย่างทั้งเรื่องศูนย์ดเด็กทั้งช่วยสงเคราะห์เรื่องสหัากรข้าว สักชวนชาวบ้านให้ทำเกษตรผสมผสานฝึกอาชีพชาวบ้านนอกจากการสอนวิปัสสนากรรมฐานท่านทา ม, มาเป็นสิปีคนถามท่านว่างานหลวงพ่อสาเร็จไหมหมายถึงงานพัฒนาชุมชนนะนะท่านบอกงานล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมันไม่ใช่แค่ ง, งานล้มเหลวนะ ตัวก็ล้มเหลวด้วยรู้สึกว่าตัวเองนี้ไร้ค่าไม่มีคุณค่าเรียกว่าล้มเหลวทั้งงานล้มเหลวทั้งตัวเองอันนี้เพราะจิตที่มาไปซ้ำเติมถ้คนที่จิตเขาฝึกไว้ดีเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ว่าตัวเองก็มีความสุขได้ยังกินได้นอนหลับยังมีกรลังใจอันนี้คือคือสิ่งที่เราทำได้นะสิ่งที่เราทุกคนทาได้ถ้าเราเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรา แล้วก็พยายามพัฒนาจิตใจนะโดยใช้ศักยภาพที่มีเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิขันติวิริยะนะพวกนี้มันเป็นศักยภาพที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเราถ้าเราพัฒนาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่มีคุณภาพเหมือนกับร่างกายนี้ถ้าเราพัฒนาเช่นออกกำลังกาย บ, บ่อยๆนะเราก็จะมีความสามารถ ที่คนธรรมดาอาจจะทำไม่ได้อันนี้เราก็สังเกตได้ดูได้จากนักกีฬานักกีฬามาราธอนวิ่ง100เมตรวิ่งผัด400เมตรหรือว่านักฟุตบอล น, นักว่ายน้ำหลายคนทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำได้ยากเพราะว่าเขาฝึกจิตเราก็เหมือนกันนะถ้าฝึกเอาไว้นะมันก็มีศักยภาพมาแต่ถ้าไม่ฝึกนะ มันก็จะเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความเศร้าเข้ามาเล่นงานจิตใจเล่นงานไม่พอนะอยังใช้ใจเนี่ยไปทําร้ายซ้ําเติมตัวเองหรือว่าทําร้ายผู้อื่นด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งบุพการีและคนที่เรารักทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะกับอาการที่เรามาเรียนรู้วิชาชีวิตและไม่ใช่เรียนรู้โดยการอ่านการฟังแต่ต้องเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การเจินสติอันนี้เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยเย็นจัดช่ำชองนะในเรื่องชีวิตมากขึ้นและทำให้จิตใจของเรากายของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตเอาคำที่เราพูดกันเท่านี้นะับครับ